ขอกราบบูชาประธานาตรายัยขกราบครวะครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนและในที่นี้ก็คือพระจำทรงศิน์และของนมำส ก, การพระเทานุเถระเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านขอเจริญพร แม่ชีแล้วก็ผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งตามสบายเออเข้าใจว่าที่เรามาวัดป่าสกวลโตเนี่ยเราก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันาที่จะมาปลดเปลื้องความทุกข์ ความหนักกหนักใจในตัวเราหลายคนคงหาวิธีการในการปลดเปลื้องความทุกข์ความหนักอกหนักใจด้วยวิธีการต่างๆซึ่งในโลกก็มีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่แรกๆง่ายๆแล้วก็ใส่วัตถุ ได้ดูอะไรสวยๆได้ดมอะไรหอมๆได้ลิ้มรสอะไรอร่อยออยได้ฟังเสียงเพราะๆนะก็ทำให้เราสบายใจทำให้เรามีความสุขแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกต ด, ดูมันก็มีเป็นครั้งเป็นคราวมันไม่กีรลังยั่งยืนบางอย่างมันก็ถูกใจเราเราก็มีความสุข บางอย่างเข้ามาไม่ถูกใจเราเราก็มีความทุกข์ชีวิตเราจิตใจเราละหกระเหินกับสุขสุทุกทุกนะไม่มีไม่มีวันจบวันสิ้นคนหนุ่มคนสาวอาจจะยังมิไม่มียังมองไม่เห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนยังเพลิดเพลินนะอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้ที่มันมากระทบทางตา ทางจมูกทางหูทางลิ้นทางกายสัมผัสหรือแม้แต่ในใจคิดหนึกโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ทำให้เราเพลิดเพลิพนหลงไหลกับสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกที่เข้ามาเสนอสนองโดยระบบการตลาดเราต้องเสียเงินเสียทองเราต้องเหน็ดเหนื่อยไปแสวงหากับสิ่งเหล่านี้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 หนักอกหนักใจกับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลายคนนะก็เลยเข้ามาสู่วัดที่เป็นที่สงบหลายคนก็มาสแสวงหาความสงบที่เกิดจากการได้ฝึกใจซึ่งก็มีหลายวิธีที่เราเรียกว่ากรรมฐานในประเทศไทยนี้ก็มีมากมายแต่โดยส่วนใหญ่ ก็มุ่งมองไปตรงที่ทำยังไงให้เราไม่ต้องคิดทำงไงให้ใจเราสงบนิ่งๆแต่เส่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นนั่งหลับตานิ่งๆสงบเงียบไม่ต้องคิดอะไรนั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่มันก็เป็นความสุขเพียงขณะที่เรานั่งอยู่เท่านั้นเองเจ้าชายจิทัต t h ได้ไปเรียนกับอาลาลาดาบทและอุทกดาบทก็ได้ความสุขอย่างนี้มา ได้ฌานได้ฌานสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดก็ยังไม่พอใจท่านก็ต้องไปค้นหาในประเทศไทยเราก็มีอย่างนี้เยอะมากหลายๆคนไปฝึกไปฝึกจิตไปฝึกกรรมาฐานก็มีความสุขดีในขณะที่เรานั่งนิ่งๆหลับต า, าแต่พอตื่นมาไปเจอสิ่งที่ถูกใจ ก็ดีใจพอใจไปเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไมก่ก็เสียใจหรือว่ากโกรธขึ้นมาเพรา ะ, ะนั้นความสุขเหล่านี้ความสงบเหล่านี้ยังใช้การไม่ได้มันเพียงแต่ว่าเป็นที่พักใจชัว่วคราวทั้งนั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมาดูว่าพระเจ้าจายสิทธาตถะได้ค้นพบอะไรต่อไปอีกนะถ้าในพบ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 สิ่งวิธีนี้ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าที่สังเกตดูโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ฝึกอาณาปนาสติส่วนใหญ่จะไปนิ่งสงบนะไม่ตื่นรูนะ้เพราะว่ากำลังของสติเนี่ยยังไม่ฉับไวพอเพราะฉะนั้นก็จะโดนความสงบเนี่ยมันเรือ ว, ว่าความนิ่งเนี่ยมันคอมงำเอานะแล้วคิดว่าอันนั้นเน่เป็นเป็นเป็นที่สุดหรือเป็นสุข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 นะทีนี้มาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะก็นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนะ อ, อ, อ, อุบาสกพันุ์อินทรผิวชื่อเดิมของหลวงพ่อเทียนนะได้พยายามแก้ทุกข์ของตัวเองนะด้วยการเคลื่อนไหวนะด้วยการจเจริญสิ ก, กับการเคลื่อนไหว แล้วท่านก็ได้พบว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดที่มันเกิดขึ้นความคิดเนี่ยนะมันสร้างภพสร้างชาติต่างๆคํ า, ค ว, าว่าภพชาติก็คือภาวะภายในจิตใจของเรานั่นเองคิดดีเป็นกุศลก็มีความสุขขึ้นสวรรค์เป็นภพสวรรค์ละคิดไม่ดีคิดอิจฉาริษยาหรือมีใคราพูดให้เราไม่พอใจเนี่ย เราโกรธขึ้นมาแล้วใจเราร้อนแล้วเราตกนรกแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรานะที น, นี้ท่านก็เคยฝึกอานาปนาสิกก็เคยฝึกมายุบหนอ่อบ้องหนอ่อก็เคยพุโทโธสัมมาหลังท่านเคยฝึกมาหมดเลยวิธีการเหล่านั้นได้แต่ความสงบเท่าที่ได้ยินในฝั่งท่านแต่เมื่อมาทําการเคลื่อนไหวเนี่ยท่านรู้เท่าทันกับความคิดนะเมื่อรู้เท่าทันกับความคิดก็ไม่ตกไปอยู่ในอํานาจของความคิด ถอนตัวออกมาเป็นผู้ดู่นะดูความคิดดูอารมณ์ดูปรากฏการณ์ต่างๆไม่หลงเข้าไปอยู่ในอาการเหล่านั้นนะตรงนี้ก็ทำให้สามารถท่านถอนตัวนะจากปรากฏการณ์ต่างๆหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้และจากตรงจุดนี้นี่เองท่านก็พยายามที่พัฒนาวิธีการนะโดยการที่ยกมายกมือซึ่งพัฒนามาจากวิธีการตีนิ่งหรือไหวนิ่ง ที่ท่านไปเรียนรู้มาจากกูบาจ า, ารย์ใที่่ประเทศลาวนาซึ่งมาสอนที่หนองคายในอีการนี้เนี่ยคนโดยทั่วไปจะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไงนะมันจะมีสติได้อย่างไงคนที่ไม่เคยมาฝึกเลยเนี่ยหรือมาเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไงมานั่งยกไม้ยกมือ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 ไปดูจิตเลยโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่อย่าพึ่งไปดูจิตเลยเพราะว่าจิตมันไม่มีตัวตนการไม่มีตัวตนเราจะเอาอะไรไปดูมันล่ะที่ชอบพูดดูจิตดูจิตเนี่ยระวังตัวจะมาเองหรือตัวกับผมเองก็เคยพัดหลงในเรื่องพวกนี้เพราะไปดูจิตเฝ้าดูจิตเฝ้าดูความคิดโดยไม่มีหลักเลยโดยไม่มีฐานเลย เพรา ะ, ะนั้นการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากกายก่อนก็คือให้มีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนก็เลยคิดกละวิธีนะด้วยการเคลื่อนไหวนี่แหละการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปรูปธรรมมองเห็นได้สัมผัสได้รู้สึกได้ชัดเจนกว่าลมหายใจชัดเจนกว่าความคิดนะแล้วไม่ต้องบริกรรม นะเพราะว่าการบริการก็เป็นรูปแบบของความคิดอีกความคิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการเนี้ยมันพุ่งตรงไปเลยกับความรู้สึกตัวนะมันจะไม่ต้องเสียเวลาแต่แน่นอนคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะยังไม่รู้หรอกว่าไอ้ความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงที่พูดว่าสติพูดกับความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงเราจะยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นครั้งแรกของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคนในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ย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 หรือแม้แต่คนเก่าก็ตามอย่าประมาทตัวกับผมด้วยทำไมเองก็ประมาทเหมือนกันประมาทในรูปแบบนะไอ้รูปแบบเนี่ยหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกชัดเพราะเราทำกับสิ่งที่มันมันห ย, ยาบหยาบใหญ่ๆเห็นชัดชัดแล้วมันรู้สึกชัดชัดกว่าลมหายใจตัวกับผมด้วยทำไมาเองเคยฝึกอนานานปนานสติเคยฝึกฝึกขนาดสัมผัสกับปิติอิ่ม อ, อกอิ่ม ใ, ใจมาแล้ว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 นะแล้วก็อาการที่จะพบครั้งแรกเลยก็คือง่วงนะไอ้ง่วงในมันแน่นอนเลยเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องกินมันต้องนอนใช่ไหมมันธรรมดาอยู่แล้วความง่วงมันมาเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็มาทำกับการเคลื่อนไหวนี้ถ้าทำล้วช้ามันง่วงทำให้มันเร็วนะทำให้มันเร็วเร็วขึ้นนะเราแก้แก้อารมณ์เพื่อจะทุกข์ทุก หัวเขา่ารูปเนื้อรูปตัวรูปหน้าให้มันตื่นขึ้นนะอย่าไปยอมอย่าไปยอมสยบ ก, กับความง่วงนะแน่นอนแล้วมันมามาเยือนเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้เนะี่ยหลายคนนะมาฝึกแล้วบอกไม่เห็นมันสงบเลยทำนิดนิ ด, นดหน่อยๆทำวันแรกกะถอยละ่ะคิดว่ามาทำแล้วจะต้องนิ่งสงบไม่ง่วงไม่ใช่ความง่วงนี่แหละเป็นอารมณ์ที่มันจะแสดงตัว ให้เราดูและให้เราทดสอบทดลองดูที่ว่ากําลังสติเราจะมีขนาดไหนความล่วงเนี่ยหรือความหลับเนี่ยมันตรงข้ามกับความตื่นนะเขาบอกศยาศาสตร์เนี่ยมันตรงกันข้ามกับพุทธศาสตร์เพราะนั้นถ้าเราสามารถเอาชนะความล่วงได้เราก็พุทธศาสตร์เกิดขึ้นเลยพุทธเจ้ามาเลยเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะหรือพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆก็มีอยู่ในตัวเรานะ ก็คือสติปัญญาของเราเนี่นเองเพราะนั้นกะละดาษที่เราไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงพุทธเจ้าเมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วคือสติปัญญาของเราตอนที่เรากลาบลงไปว่าเราได้เรื่องเกินอะไรในพุทธเจ้าก็คือการกลับมาดูว่าวันนี้เราหลงอะไรไปบ้างเราลืมอะไรไปบ้างนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการระลึกว่าเราจะกระทําให้ดีขึ้นเราจะมีสติ ให้มากขึ้นนี่คือการที่เราสวดหมดแล้วเราได้สิ่งปัญญาด้วยแล้วก็ได้ระลึกด้วยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งทีนี้จากการที่เราทําการเคลื่อนไหวกับกายโดยเฉพาะสิบสี่จังหวะก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนะี่ยให้เรามีรู้ความรู้สึกในกายรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเรื่อยๆมันจะมีอารมณ์เข้ามาให้เราทดสอบอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบ ความง่วงความฟุ้งซ่านความหดหู่บางทีความไม่สะดวกสบายามันมาแล้วบางทีคิดถึงที่นอนคิดถึงอาหารอร่อยๆมันมาแล้วอย่าไปเชื่อมันอย่าไปต่อแยกับมันปล่อยมันไปแล้วกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี้อยู่บ่อยๆงานแะรกๆก็โดนมันลากไปไม่เป็นไรเนะ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 รู้ชัดที่กายเวทนาก็จะชัดจริงๆในขณะที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มาเป็นขั้นเป็นตอนอะไรนะเวทนามันก็มาจิตมันก็มาแต่แรกๆเนี่ยเรายังไม่ต้องไปสนใจมันมันจะสุขมันจะทุกข์อะไรเรามาอยู่ตรงนี้ก่อนกลับมาที่ความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยก่อนให้มันชัดๆตรงนี้คำว่าชัดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจอให้มันรู้ตลอดนะอย่าไปถ้าไปทาอย่างนั้นมันจะตึงเครียด มันจะแน่นหน้าอกเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างแต่กลับมาเร็วให้มันเร็วกลับมาที่ไก่ให้มันเร็วนะคืออันนี้มันจะเป็นธรรมชาติเป็นกลไกรธรรมชาติตัวกระผมเนื้อธ ร, รมาเองที่ตอนฝึกครั้งแรกๆก็ตั้งใจอยากใ ห, ให้มันรู้ตลอดโอ้โหให้มันรู้ตลอดให้มันไม่ยอมให้มันคิดเลยกดไม่ให้มันคิดก็ดอะไรขึ้นหรอกมึนหัวดิ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 เวทนาเวทนาเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเราเข้าใจว่าน่าสงสารคําว่าเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกภาษาอังกฤษใช้คําว่า feeling นี่ยก็คือสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราไหวพระสดมนเนี่ยเรารู้สึกอิ่มเอิบใจเรารู้สึกปลอดโปร่งใจนะเป็นความสุขหนละนั่นะเป็นเวทนานะหรือบางทีอายุกัดโอ้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะ อันนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เวทนาแต่เมื่อเมื่อเรามีฐานที่กายชัดแล้วเนี่ยสุขเกิดขึ้นเราก็กลับมาที่ความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นเราก็กลับมาที่ความรู้สึกใจมันจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อฐานที่กายชัดแล้วเนี่ยนะมันจะมีวิธีการที่จะกลับมาปกตินยได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปสนใจ เวทนาลิจิตก่อนให้มาสนใจที่กายเมื่อกายเราชัดแล้วเนี่ยพอจิตก็คือจิตเนี่ยริจใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนมองไม่เห็นแต่มันมีอาการที่แสดงออกมาคือความคิดคิดน่นคิดนี่คิดจุกคิดจิกคิดนั่นคิดนี่โดยเฉพาะในช่วงที่เรามาฝึกเนี่ยนะทิ้งหมดเลยนะจะคิดดีคิดไม่ดีก็ตามคิดโครงการ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 ไม่รู้ตัวเผลอไปแล้วบางทีก็ทําไปทําโอ้ดีนะวันนี้ดีปลอดโพ่งโอดีจังเลยปฏิบัติดีจังเล ย, เลยมันมาย่อเราแล้วเราก็เลื้งไปกับมันนี่คือความคิดรูปแบบของความคิดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่กายเนี่ยนะมันจะเป็นฐานสําคัญเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏการณ์ต่างๆนะ อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะดีจะร้ายจะปกติมันจะแสดงตัวมาแล้วเราก็ไม่ตกเข้าไปอยู่ในอารมณ์เข้ามาอยู่ในความคิดนั้นเราก็จะไม่ไม่เข้าไปอยู่ในพบในชาติเราก็ถอยออกมาดูเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนนั้นบอกว่าให้เป็นผู้ดูแต่อย่าไปเป็นผู้เป็ น, นเราถอยออกมาแรกๆมันยังถอยไม่ได้เราเพราะเรายังไม่มีฐานไอความรู้สึกตัวที่กายที่เราทาไม้ตั้งแต่ต้นนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องมือ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 นะของแบบนี้เหมือนเราขี่จักรยานนะ่ะเราคนที่สอนก็บอกไม่ต้องเก่งนะมันก็อดไม่ได้ไม่ต้องเก่งอนะ่ะมันก็ธรรมดา <c oughs> นะตัวกับผมที่เอาต่มาเองก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นครูบาอาจารย์มาพูดบางทีก็บอกว่าเออไม่ต้องไปตึงมันมากไม่ต้องไปหย่อน ม, นมากท่านก็พูดได้อ่ะนะแต่เราต้องดูตัวเราเองนะตัวเราเองถ้าเรารู้สึกตึงๆเอ้ยก็หย่อนๆบ้าง น, นะท่านก็พยายามเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราพยายามสังเกต นะสังเกตตัวเองเฮ้ยถ้ามันหนักหนัขวยมันไม่ใช่แล้วมันตึงตึมันไม่ใช่แล้ว ต, ต, ต, ต้องผ่อนผอนลงหน่อยนะบางทีเดินเดินชาไปมันง่วงอเดินเร็วบ้างพอเดินหน้าไปมันง่วงเออถอยหลังบ้างเออนะคือเล่นกับมันอย่างเงี้ยหลอกล่อให้มันตื่นตัวอย่าไปสยบสยบหรือสงบสยบกับอารมณ์หรือความคิดต่างต่างนะเนี้ยก็ต้องใช้สติปัญญานาะที่จะที่จะแก้ไข าการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทําเนี่ยนะอย่าไปถือว่าผิดผาถูกเอาผิดเป็นครูครังหนึ่งโยบผมเรียกธรมาเองชอบคําพูดหลวงพ่อคำเขียนมากเลยท่านบอกว่าอาจารย์ที่แท้จริงคืออาจารย์คลําคลําผิดคลําถูกคือครูบาอาจารย์ไม่สามารถบอกได้เลยว่าอย่างเนี้ยคือความเป็นกลางท่านบอกไม่ได้ท่านบอกได้ว่ากลาง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 สิ่งที่เราจดจําได้จากครูบาอาจารย์ก็ดีหรือจากคําพูดเนี่ยเป็นความจําภาวะต่างๆที่พูดเนี่ยก็ต้องระวังอย่าจําเอาไปเป็นของตัวเองหลวงพ่อเทียนครั้งหนึ่งท่านเคยพูดว่าประลักษกสี่ข้อหนึ่งก็คือไปลักของเขาก็คือฟังแล้วเอาไปเป็นภาวะของตัวเองนะทั้งที่ยังไม่เกิดนะนี่ก็เราต้องดูตัวเราเองต้องระวัง ต้อดูแต่ก็ไม่ต้องไปไประวังจนแหมทําอะไรไม่ถูกเลยก็ทําสบายๆนี่แหละนะทําสบายๆทําเรื่อยๆนะให้มีความรู้สึกตัวที่กายให้ชัดตรงเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือสําคัญการทําวิธีนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยตัวผมเนี่ยทำไมาเองก็ไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจุดสุดท้ายมันคืออะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถามหลวงพ่อคเขียนว่า เออหลวงพ่อแค่รู้สึกตัวเนี่ยเหรอไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วหรอใช่หลวงพ่อบอกใช่รู้สึกทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นเครื่องมืออันเดียวที่เราสามารถใช้ได้ตลอดทางในการเดินทางโดยวิธีการนี้ซึ่งก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสัจจันมากว่าทาอย่างเดียวจะเกิดผลหลายอย่างแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือได้ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางที่สุด เพราะฉะนั้นเราเราถ้าเราได้สวดเราจะเห็นว่ามีเถ้าไปสวดที่สัมมาสมาธิเนี่ยแล้วมันจะมีชานองค์ที่สี่เลยบอกว่ามีสติบริสุทธิ์หมายถึงว่าดํารงอยู่ด้วยสติแล้วตอนที่พระเจ้าท่านปรินิพานเนี่ยนะพระอนุรัติเนี่ยได้นั่งเข้าชานแล้วก็ได้ดูพระเจ้าเนี่ยท่านดําเนินจิตไปอย่างไรนะท่านก็ดําเนินไปจนถึงาชานแปด นะแล้วก็กลับมาที่ฌานสี่ก็คือดํารงสติในขณะที่ปรินิพานเพราะฉะนั้นสตินี้จึงเป็นเป็นที่สุขเลยนะหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือเป็นชิ้นเอกเป็นกุญแจดอกเอกนะที่จะไขความลับภายในตัวเราไขาความลับให้เราเห็นสุขเห็นทุกข์และความเป็นปกติเมื่อเราสามารถที่จะเห็นตรงนี้ได้เราก็จะไม่ตกไปอยู่ในกระแสของความทุกข์หรือความสุข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 ทำให้เราไม่เป็นบ้านะคนที่โกรธมากๆคุ้นคิดเรื่องจากเมื่อวานนี้คนนั้นก็พูดไม่ดีกับเราก็เก็บเอามาคิดคืนนี้ยังนอนไม่ยอมปล่อยทั้งที่เรื่องมันเสร็จไปแล้วไม่ยอมกลับคืนสู่ปกติจริ ง, จร ง, จรงใจมันจะกลับคืนสู่ปกติอยู่แล้วแต่เราคิดเราคุ้นเราคิดเราหลงเราเพลินไปเราไม่รู้ทันเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนี่ยฝึกให้รู้ทันเหล่านี้ ให้เรียนรู้คุณลักเหล่านี้เราจะได้มีปกติสุขนะอันนี้เป็นความสุขที่เรียกว่าสุขเกษมสารไม่ใช่สุขสุกกอไก่ที่มันสุกสุขทุกทุกชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยสุขสุขทุกทุกนะหรือแม้แต่เรามาอยู่วัดก็สุขสุขทุกทุกนสังเกตดูนะนี่คือสิ่งที่เราจะสังเกตดูได้เมื่อเราฝึกในรูปแบบแล้วเนี่ยนะนอกจากในรูปแบบแล้วเนี่ย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 และนี่สายใจคอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นไปอย่างใจเราเราต้องทำใจเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยถือว่าเป็นสนามได้ฝึกได้ประลองสติที่เราฝึกไปแล้วว่ามันใช้ได้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้สอบตกไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ให้กำลัง ใ, ใจตัวเองคนเรามันก็เป็นอย่างเนี้ยบางทีสติมันยังไม่พอก็อไม่เป็นไรนะ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 ตัวก็ผมด้วยต่มาเคยเป็นมาแล้วตอนนั้นคิดว่า โ, โหนั่งสงบนี่ข้าพเจ้าบ ร, ธธรรลุทมแน่นะที่ไหนได้มีคนก็มาพูดไม่ถูกหูนะนั้โกรธปึ้งขึ้นมาเลยโอ้เพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกเนี่ยนะเราจะได้ซ้อมทุกวันโดยเฉพาะเข้า เ, เก็ดอารมณ์สี่สิบวันก็ดีหรือว่าคนที่มาเจ็ดวันก็ดีเนี่ย ได้ได้ทําอย่างต่อเนื่องทีนี้คนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยนะก็ลองดูอนะมาวันเดียวสองวันจต่วันเดียวน้อยไปนะที่หลังมามาสักเจ็ดวันนะยังไม่ได้อะไรเลยบางคนมาวันเดียวนะเข็ดไปเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้โอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมาอยู่วัดป่าสุกโตนี้ต้องอยู่ด้วยปัญญานะเพราะหลวงพ่อก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเนะี่ยเข้าไปล่ออิสระ ให้เราได้ฝึกด้วยตัวเราเองให้เราเป็นที่พึ่งของตัว เ, เองไม่ต้องมาติดครูบาอาจารย์นะตรงนี้เนี่ยสําคัญประเด็นคนที้เข้ามาวัดป่าสุกโตเนี่ยถ้าไม่รู้นะคำว่าไม่รู้ในะที่นี้ก็คือเข้ามาเอ๊ะจะไปเรียนกับใครจะฝึกยังไงอะไรเนี่ยนะบางทีจังเหงาเหงาเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้ามาเนี่ยฟังหลวงพ่อแล้วมีปัญหาก็ถามท่านนะ เาหครูบาอาจารย์บ้างนะโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่ตัวกับผมได้ทําเองมีความรู้สึกเป็นห่วงนะเพราะที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีระเบียบวินัยว่าจะต้องทําอย่างนู้นทาอย่างนี้จะต้องไอ้นั่นไอ้นี่เพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายนะขวนขวายเข้าหาครูบาอาจารย์ขวนขวายฝึกโดยเฉพาะคนที่มาบวชเพียงแค่สิบวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเนี่ย ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเสียได้เวลามากโดยเฉพาะถ้าอยู่ในเพศของบรระชิตเนี่ยมันปลดเปลื้องภาลัษต่างๆเพราะนั้นใช้เวลาที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าด้วยการเจริญสติถ้าใครยังไม่รู้จริงๆพยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ฝึกฝึกได้แล้วมีรูปแบบแล้วไปทำเลย จ, จิตอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมากนะไปบินาบาบก็ไปบินาบาบนะ งานการอย่างอื่นก็ช่วยกันนะแต่งานการส่วนรวมก็มีไม่มากเพราะที่นี่เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับการที่เราจะฝึกจเจริญสติเพื่อที่จะไปใช้ในชีวิตเมื่อเราเา ส, สกอกไปนะฉะนั้นที่นี่เนี่ยมีของวิเศษนะของวิเศษก็คือจเจริญสติก่อนสึกไปก่อนลาสิกาไปอย่างน้อยๆให้มีความรู้สึกตัวเอาไปใช้ นะเอาไปใชใ้ได้ในโลกนะบวชหนึ่งเดือนเนี่ยนะถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยโอโ้น่าเสียดายมากเสียเวลาที่มาบวชนะอันนี้ก็อยากจะฝากเ อ, อพระใหม่นะก็เ อ, อที่ป่าสุโกโตนี้อยู่กันแบบเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคลยาณมิตรกันนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาศัยสิ่งแวดล้อมได้ในการที่จะพัฒนานะเรื่องของจิตใจด้วยการเจริญสติ เพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเรานะที่ตั้งใจกันมาแล้วได้ใช้เวลาให้คุ้มค่านะคุ้มค่าทุกนาทีไม่ต้องดูทีวีช่องสามนะคุ้มค่าทุกนาทีมีความรู้สึกตัวบ่อยๆนะอันนี้จะคุ้มค่ามากๆนะและ้วก็สิ่งที่ได้พูดไปเนะี่ยก็ก็ถือว่าเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบาการณ์ นะมีอะไรที่อาจจะพูดขัดตกบกพร่องไป บ, บ้างนะก็หวังว่าครูบาอาจารย์จะได้แนะนำตักเตือนนะหรือแม้แต่พวกเราเองถ้าเห็นกระผมเนื้อธรมานะนะบกพร่องไป บ, บ้างนะก็เตือนกันไดนะ้ก็ถือว่าเป็นการยนานมิตรกันนะช่วยตักเตือนกันเพื่อความเจริญนะของชีวิตเพื่อความเจริญของสังคมของชุมชนที่เราอยู่และถ้าเรา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 นะก็คือสติสัมปชัญญนะะตัวนี้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นบ้านที่แท้จริงเป็นเครื่องมือที่แท้จริงที่จะให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติได้นะนี่ก็อยากจะฝากพวกเราไว้แล้วก็เออขออนุมโมทนาในกุศลและเจตนาและก็ความตั้งใจของพวกเราที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ ได้มาร่วมกันฝึกเจริญสติก็นะคือความรู้สึกตัวด้วยความเพียรพยายามของพวกเราขอให้พวกเราได้ประสบพบกับความเป็นปกติของใจนะโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทินเจริญพร